พระพุทธเจ้าท่านแนะนาสั่งสอนอย่างไรเราได้ศึกษาดูแล้วท่านจึงให้ประพฤติปฏิบัติในครั้งพุทธกาลถ้าหาว่าพระฉันไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักโภสเนมัตตัญยุตาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคพระพุทธเจ้าก็ตาหนิเตำหนิตำหนิพระที่ฉันไม่รู้จักประมาณ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 พอกินเองแล้วก็บินบินออกมาสู่ฝั่งสู่ฝั่งนอกพลที่สุดก็ตกในกลางมหาสมุทรตายมากโตมากแล้วเพร่อนั้นลูกอย่าไปกินดีในรถรถอาหารหน่ลูกนะไปหากินเกาะอื่นไปหากินที่อื่นเถอะอันตรายน่ลูกอันนี้คือพ่อเนี่ยเคยเคยผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมนมาแล้ว น, ะนกพระโพธิสัตว์เนี่ย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 แต่นี้พระยาปเสนก็ เ, เลยบอกว่าข้าพระองค์ห้ามไม่อยู่ล้งางไม่อยู่พระเจ้าข่าพอได้ทานเข้าไปแล้วมันเบรกไม่อยู่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเ่้นก็นเลยบอกว่าเออทานอย่างนั้นก็คนได้อยู่ข้างๆร้องเพลงร้องเพลงตื่นเตือนไว้คือจะใครจะเตือนพระราชาผมเตือนยากใช่ไหมก็เลยแต่งเป็นเพลงตเตือนเอาไว้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 อันนี้ก็คือพระเทวทัตวางแผนค่าตัดตอนนะนี่แหละในครั้งกันู้นก็เคยมีเพราะนั้นเรื่องความชั่วนต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะเออแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ชั่วเพราะนั้นน่ากลัวมากๆคือใจของพวกเรา่ใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมนโนภุพังคมาธรรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจ